วันนี้ไปดูสุดขีดทั้งรุ่นแหละไปดูสุดขีดแล้ว่็ดูรอบๆัรอบนแล้วก็กล่อมมา <c oughs> เราดูสุดขีแล้วมาด้วยความชื่นใจ <c oughs> นสมเหตุสมผลว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่บำเพ็ญธรรมมีแต่ทำรุ่นรุ่นทำละ จิตใจให้สะอาดปกครองจิตใจด้วยสติปัญญาเป็นความเท่าเทียเพื่อชำไดสื่สกปกทั้งหลายคืออิเลตเราได้แก่ด้านวัตถุไปที่ไหนวัตถุจะออกหน้าออกตาทำออกไม่ได้นะ <c oughs> พอเริ่มสร้างวัตถุวัตถุขึ้นแล้ ว, ลวนั่นจะเอานั่นคนนี้จะสร้างที่พระก็เก่งใจโยม มีตามคนต่างเปล่งใจกันหรือท้ายกิเลสกระแทกเข้าในตรงนั้น <c oughs> การสร้างวัตถุมากเป็นการเหยียบอัดําลงไปอัดทํางอกเผยไม่ได้ท่านผู้เป็นเจรณะของพวกเราเป็นสังข์ังสร้างำกระชามท่านอยู่ในที่เช่นนั้นเช่นนี้ <c oughs> อยู่ตามกระต๊บกระแจ็บอยู่ตามร่มไม้ แต่จิตใจจะต่ออยู่ในชำระสะาสามส่งเสริมปลูกสร้างศีล ส, สร้างธรรมสร้างสติสร้างปัญญาสร้างความภาคความเพียงขึ้นที่ใจส่งเสริมจิตใจตลอดเวลา <c oughs> จิตใจเมื่อรับการบำรุงรักษาจะมีความสาง่างามขึ้นมาพ <c oughs> อ, อจิตใจสร้งางสง่างามขึ้นมาแล้ว และทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในโลกนี้ปิดไม่อยู่ใจจะเริ่มรู้เริ่มเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเข้าถึงบาปถึงบุญที่เป็นสิ่งลี้ลับโลกทั้งหลายไม่เชื่อกันองไม่เห็นแล้วจะจ้าขึ้นใน จ, ใจิตใจบาปใครเป็นคนนํามาพูดคนตาบอดพูดได้อย่างไงบุญคนตาบอดหูหวกพูดได้อย่างไง อง์ศาสดาโดยแท้เป็นผู้สรงแสดงว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพวกเปรตผีประเภทต่างๆเต็มทั่วแดนโลกธานนี่มีนิพพานมีใครเป็นคนแสดงเอาไว้มีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่หูแจ้งตาสว่างมองไปไหนเห็นหมด แต่ก่อนท่านก็เหมือนเราเราเหมือนท่านตาหูจมูกริ้งกายในฐานะที่จะมองเห็นด้วยกันรู้ด้วยกันทถานี้ที่เลยจากนั้นมองไม่เห็นต้องอาศัยทำเป็นเครื่องบุกเบิดออกบุกเบิกก็บุบเบิกสิ่งปิดบังนั่นแหละสิงปิดบังคือกิเลสมันอยู่ภายในใจไม่ให้มองเห็นสิ่งใดแล้วก็ว่าสิ่งนั้นไม่มีไม่มีเยียบไปโคมคามโคมคามเหมือนคนตาบอด คนตาบอดมองไม่เห็นแต่โดนตั้งแต่สิ่งที่เป็นภัยแก่ตนเป็นส่วนมากนั้นจึงต้องอาศัยคนตาดีจูงไปดูจูงไปนี้แค่คราบปลอดภัยไปบ้าง <c oughs> อันนี้พวกเราจิตใจที่บอดที่หนวกก็ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านเป็นผู้ตาดีหูดีแจ้งสว่างที่ทรงลงทรงรู้ทรงเห็นแล้วมาแสดงบอก แล้าเชื่อตามนั้นมานั่นที่หลุมนี่ที่บอ่อแล้วบอกแล้วเดินตามทางที่ราบลื่นไปกับคนตาดีก็เหมาะไปมีความแค้วคลา้าตอดไยไปเรื่อยๆ <c oughs> ทีนี้เราเดินไปตามสายทางพุทธเจ้าเราค่อยรู้ค่อยเห็นสิ่งต่างๆไปเรื่อยๆภายในใจนี้จะปิดบังหุ่มห่ออยู่ด้วยอานาจของที่เด็ก ความมืดความมอดขณะไหนก็ตามอาศัยธรรมคือความสว่างธรรมโมปรีโปประที่ดวงไฟคือธรรมภายในจิตใจคอยส่องแสงออกมาจากการบำรุงรักษาของผู้ปฏิบัติจิตใจมีอิจตภาวนาเป็นสำคัญดูใจตรงนี้บำรุงรักษาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ <c oughs> สิ่งภายนอกไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวาย ทีลท่านผู้มาจะมา <c oughs> มาเป็นสารนะของพวกเราท่านมายุ่งกับโลกกับสงสารที่เขาเป็นยังไงท่านก็เกิดในท่ามกลางโลกแต่ท่านก็เคยวุ่นมาแล้วทีนี้จะไม่วุ่นทางโลกจะวุ่นกับกิเลสที่เป็นตัวเป็นภัยก่อควรตลอดเวลาอยู่ที่จิตใจด้วยกิจตภาวนาพินิพิจารณาอยู่นี่สติตั้งให้ดี สติเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับความเพียนและความเคลื่อนไหวของตนไปมาที่ไหนให้มีสติติดแนบขยายออกจากจุดที่จำเป็นแคบติดหรือคำบุญกรรมแล้วก็เป็นสัมปะัญญะรู้เราตัวไม่เผลออยู่อย่างนี้หิดใจเมื่อเรียบได้เรียบร้องหาความช่วเหลือจากเจ้าของมาเป็นเวลานานแต่ไม่เคยมี ใครเป็นผู้เหลียวไล่เหลยวแหล่ปิดใจตนเองปล่อยให้มืดมัวให้ไรับความมีแต่ความทุกขยาบยาำทำลายทำค่อยเปิดออกไปด้วยการบำรุงรักษาเราค่อยขยับขยายออกไปขยับขยายออกไป <c oughs> ที่นี่ใจสิหาคุณค่าไม่ได้ในโลกทั่วๆวไปมีแต่กิเลสมีคุณค่ามากกว่านั้นจะค่อยกระจายตัวออกไป กายเป็นจิตที่มีคุณค่ามีราคาขึ้นมาภายในใจเพียงแต่เราอบรมจริตใจทางด้านจิตกรรภาวนานีเท่านั้นไม่ต้องดูมากเไรดูใจเจ้าของนี่ันจะบระจกางแจ้งไปหมดดูอะไรดินฟ้าอากาศ ด, ด้วยหูวยตาของเราก็ยังเร า, เร า, เร า, เราท่านท่านดูกันเห็นด้วยกานเนี้ย แ, แต่ดูทางจิตใจนี้ผิดกันมากนะ <c oughs> พอดูใจบำรุงใจรักษาใจนี่ใจเมื่อรับการบำรุงรักษาจะค่อยขึ้นเบื้องต้นก็มีความสงบเจ็นปราศจากสิ่งก่อขวัคือความคิดความปรุงของตัวเองกวนตัวเองเบาลงเบาลงด้วยอดด้วยฉันคือกิดแต่ภาวนาเมื่ออะไรบำรุงอยู่เรื่อยเรื่อ ราทจากภัยที่เคยก่อกวนให้วุ่นวายลงโดยลำดับลำดับทำคือความ <c oughs> สงบเย็นใจจะปรากฏขึ้นมาไม่มีอะไรกวนจากนั้นจากความสงบแล้วก็สแสดงความสว่างสวัยขึ้นมานั่นลัทธินิถแดนอาศาัศจรรย์ตั้งแต่เราเกิดมาในหัวใจของเรานี้ไม่เคยเห็นใจตัวเองเป็นสุขเป็นสุขเป็นของอาศาัศจรรย์ แต่แล้วก็ได้มาเห็นจากการบำเพ็ญธรรมเพราะการรักษาอยูบัานบำรุงรักษากิจใจใ <c oughs> จมีความสงบเย็นลงไปเย็นลงไปสว่างสวัยออกไป <c oughs> ทีนี้ความทุกข์ทั้งหลายที่เคยเป็นมาเพราะอำนาจของกิเลสบีบบีสีไฟให้เกิดความทุกข์ความเอรนประเภ ท, ทต่างๆนั้นจะพ่อยางลงไปยางลงไปงานของธรรมคือจิตตภาวนา ค่อยหนักเข้าไปหนักเข้าไปงานของธทำเป็นงานแปะกิเลสปราบปรามกิเลสถ้าล้างกิเลสหรือเป็นน้ําดับไฟไฟคือกิเลสทำอคือที่ททตภาวนาเป็นน้ําดับไฟลงไปลงไปใจจะมีความสงบเย็นเย็นไปเรื่อยเรื่อยยนี่แหละแดน <c oughs> แห่งความมหัศจรรย์จะเริ่มปรากฏแล้วกับผู้สนใจ ให้อัดได้ทำรวมลงไปหาจิตตะภาว น, นา <c oughs> จะเริ่มปรากฏจิตใจเมื่อได้สัมผัสสัมทำเป็นความสงบรลมเย็นและความแปลกประหลาดซึ่งไม่เคยเป็นมาตั้งแต่วันเกิดพอเรามาเริ่มภาว น, นาได้ปรากฏขึ้นแล้วเป็นจิตใจที่มีคุณค่าขึ้นมาปรากฏในตัวเองจนกระทั่งได้ออกอู้ทาน <c oughs> อา๋ อ, อจิตของเหล่านี้ตั้งแต่วันเกิดมา เราไม่เคยเห็นมีความสุขมีความแปลกประหลาดอัศจรรย์แต่อย่างใดเลยมีแต่การวิ่งเต้นกับกิเลสมันหลอกให้โลภให้โกรธราคาตัญหาไม่มีเมืองพอดิ้นไปทไลายผิดหลังไปเท่านั้นดิ้นไปทไลายผิดหลังไปเท่านัอย่างนี้โดยไายเดียวไม่เคยเห็นแ <c oughs> สดงความปล่อยว่างสิ่งเหล่านั่นมายึดมาเกาะทําภายในใจมีคำบริกรรมภาวนาเป็นต้น แล้วเกิดความสว่างสวัยขึ้นมาใจรีบ้แอบเบิกกว้างออกไปเบิกกว้างไปเริ่มมีคุณค่าขึ้นมาในตัวเองเมื่อใจเริ่มมีคุณค่าขึ้นมาสิ่งทั้งหลายที่กิเลสตัวจอมปลอมมันเสกสรรปั้นยาว่าอันนั้นมีคุณค่านี่มีคุณค่าท่าโลกดินแดนนี่มีคุณค่าเสียทั้งหมดนั่น <c oughs> รายเป็นเรื่องลดคุณค่าลงมา ลดคุณค่าลงมาเพราะสู้ใจไม่ได้ใจเมื่อได้ดื่มทำแล้วใจย่อมปล่อยวางสิ่งทั้งหลายที่กิเลสรอกว่ามีคุณค่าขยับตัวเข้ามาหาธรรมที่มีคุณค่าโดยหลักธรรมชาตินี้เป็นลำดับลำดาบใจยึงกลายเป็นใจที่มีความแปลกประหลาดขึ้นมาทีนี้จิตสติสตังทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่ห่างไกลกับจิตใจเลย บำรุงรักษาไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยจิตยิ่งมีความสว่างสวัยขึ้นมานี่เรื่องภายนอกไม่ต้องกล่าวถึงแหละเมื่อใจกับธรรมได้สัมผัสกันด้วยจิตตาโภนาแล้วอยู่ไหนอยู่ไปรลมไม้ไทยชายคาที่ไหนอยู่ได้ทางนั้นอยู่ได้ทางนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้า ท, าท่านจึงสอนสาวก ว่าลุกขมูลเสนาสนังนิสาเะปปะชาตัทธะเยาวะจีวังอุชาโหปริโย <c oughs> <c oughs> บัรุชาวสโบทแล้วให้ท่านทั้งหลายไปเที่ยวอยู่ตามลุกขมูลร่มไม้ในป่าในเขาตามขําเนื้อผาป่าชา้าป่าโกชัิที่แจ้งรองฟาน อันเป็นที่สะดวกสบายในการบำเพ็ญสมณธรรมแก้ปิ่ลตัวเป็นสื่อไฟนี้ออกได้โดยลำดับลำดาเนี่เธอทั้งหลายจงพยายามอยู่และบำเพ็ญในสถานที่ดังกล่าวนี้ตลอดชีวิตเถิดเนี่ยพระโอวาทอันนี้เป็นพระโอวาทสำคัญมากพระจะต้องได้รับพระโอวาทนี้ทุกองนอกจากพระปรพุปชาปร จะไม่ได้แล้ถ้าเป็นห <c oughs> ลักการบวชตามพุทธศาสนาแล้วต้องไหนเราภู ว, วาตันนี้เห็นไหมถานที่อยู่ของศ <c> า <oughs> สะนาของพวกเรารู้หลาฟู่ฟ้าที่ไหนมารู้หลาฟู่ฟ้าที่ใจอใจนี้สง่างามอยู่ร่มไม้ก็สงาา่าอยู่ใต้ร่มไม้อยู่ในภูเขาตามถ้ำเนื้อผาสง่างามอยู่ในที่นั้นที่นั้นนี่แหละคุณค่า ใจที่มีคุณค่าก็อยู่ไหนมีคุณค่าหมดเลย <c oughs> การอยู่ก า, การกินการกบการฉันอะไรที่ได้มามากน้อยเพียงเยียวยาทา่านให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นท่านไม่ถือเป็นอารมณ์มาเป็นอุปสรรคแต่การบำเพ็ญธรรธรรมของท่านเลยท่านบำเพ็ญธรรมด้วยสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมอืม นี่แหละเป็นสำคัญเป็นแบบพละห้าพละห้านี่เป็นกำลังสำคัญมากศรัทธาวิริยาสะติสมาธิปัญญาหรืออินทรีย์ห้า็เรียกนี่แหละประจำตัวตลอดเวลาให้นอยู่ที่ไหนก็ท่านก็สบายสบาย ส, ายสง่างามอยู่ในใจนี่แหละใครเขาจะดูไม่ดูเขาจะสนใจไม่สนใจก็ตามแต่คว า, ามสง่างาม ของใจนี่ปรากฏเด่นชัดให้เจ้าของได้ชมอยู่ตลอดเวลา ย, ยืเนเดินนั่งนอนชมความสง่างามของใจ ต, ตลอดเวลา <c oughs> สิ่งภายนอกเมื่อหนักเข้าไปสิ่งภายนอกเหมือนไม่มีเลยกลายเป็นโลกว่างไปหมดเพราะจิตไปเที่ยวกว้างเอานู้นกว้างเอานี่มากีดมาขวางตัอเองนั่นมันจางไปจางไป ไม่มีอะไรลบควรใจใจเลยเป็นใจว่างใจก ว, ว้างใจขวาง ใ, ขงใจเบิกบานไปโดยลำดับาได้ทีนี้ก็ <c oughs> บำรุงรักษาไม่หยุดไม่ถอยตามทางของศาสดาชฉพาอนักบวชเหล่านี่สำคัญมากสำหรับคารวะเขาก็ตามพระตามดูแลรักษาบำรุงๆๆๆ ตูต้ปัจจัยทายธานสังสีเป็นหน้าที่ของประชาชนเขาเลือมใสเองเขาทำเองไม่ต้องไปบอกไปบีบบังคับเขาขอให้ทาตัวเราให้เป็นค่าที่สมบูรณ์แบบไปโดยปัญญาเออไปไปด้วยความเพียรของเราเถิดทุกสิ่งทุกอย่างได้ปัดเอาไว้นั่นแหละการก่อการสร้างอันนี้เป็นด้านวัตถุซึ่งเป็นความกังวลต่อยิฐตาภาวนา ท่านก็ไม่สนใจอยู่แล้วหากอะไรที่บกข้องประชาชนยากโยมเขามีหูมีตาเขาไม่ใช่เป็นคนตาบอดหูหนวกเขาจะดูจะลเองเรื่องของเราดูยาตั้งแต่จิตใจของเราโดยเฉพาะ <c oughs> อยาบททั้งสี่อยู่ด้วยอดด้วยถังด้วยพละข้านี่เป็นลำดับลำดา <c oughs> นี่คือผู้บำรุงรักษาขัดดาที่เหลือหนึ่งตัว เป็นภยัยต่อจิตใจให้ค่อยกระจายออกไปเป็นลำดับลำดาแล้วใจนี้จะส่องแสงสว่างขึ้นมาขึ้นมาใครไม่เห็นก็ตามตัวเองกับความรู้ของตัเองนี้ประจักษ์ตนอยู่ตลอดเวลาไม่มีมืดมีแจ้งไม่มีปีนั่นเกือนนี่อดีตอนาคตที่ไหนไมีตั้งแต่ใจที่สว่างสวัยทั้งมืดทั้งแจ้ง ฤดูไหนก็ตามใจไม่มีฤดูกาลใจไม่มีมืดมีแจ้งเวลาเปิดสิ่งที่มืดคือเพลีออกแล้วจะ ก, กระจากแจ้งตลอดเวลาเป็นอาโลโกปปาดิาววาสว่างสวัยภายในกิจใจตลอดเวลาสําหรับผู้ปฏิบัติธรรม <c oughs> นี่แหละท่านผู้ทรงมกักทรงผลในครั้งพุทธกาลท่านทรงมกักทรงผลด้วยเหตุที่กล่าวมานี้ คือสติดีความภาคความเพียรทุกแหนทุกมุมดีเอาใจใส่ดูแลจิตใจบำรุงรักษาจิตใจให้ดีด้วยจิตตะภาวนาคืออบรมตอนอยู่เสมอ <c oughs> <c oughs> นี่แหละทำเกิดขึ้นที่นี่คำว่ามรรคผลยิ่พ า, านจะไม่ต้องไปถามหาที่โนดที่นี่เมืองนั้นเมืองนี้ที่ไหนบรรลุขึ้นที่หัวใจซึ่งมีความภาค มีทำเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงรักษาตั้งแต่ความเพียร น, นี้แหละจะค่อยปรากฏขึ้นมาอย่างมรรคผลโซโดาปฏิมรคโสดาปฏิผลสกิทาคามรักสกิทาคามผลอนาคามีมรักอนาคามีผลอรหัตตมรักอรหัตตผลจะเกิดขึ้นที่ใจดวงนี้โดยไถ่เดียวไม่มีท้องฟ้ามหาสมุทรฟ้าแดดดินนมที่ไหนเป็นที่เกิดแห่ง อริยธรรมทั้งแปดประเภทนี้มรรคผลมรรคผลเป็นแปดอริยธรรมตั้งแต่ต้นจนสุดยอดได้แก่อรหัตมรรคอริผลจักเกิดขึ้นที่ใจของผู้บาเพ็ญนี้เท่านั้นบาเพ็ญตามพิธภัณนาที่ผู้เจ้าทรงสอนไว้เป็นนิแลเป็นผู้จะตัดตัวอมรรคผลนี้ผ่านทัางผู้จัการท่านตัดตัวด้วยความเพียรอย่างนี้ถูกต้องดีงามจึง มีพระที่ทรงมกักทรงผลไม่น้อยตั้งแต่ครั้งพุทธกาลพระราอรหันต์พระอนาคามีพระโสดาพระสีตาคาเต็มาศาสนาเพราะาศาสนาพุทธเจ้าของเรานี้เป็นศาสน า, สาศาสนาที่ทรงมกักทรงผลเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานไม่มีข้อบกพร่องแต่อย่างใดที่บกพร่องก็คือพุทธบุริษัทที่เป็นลูกศิษย์สถาคร น, นั่นแหละทําตัวให้บกพร่อง แล้วทำตัวให้มอมหมองจากนั้นกระลุกลามไปเป็นการทําลายาศาสนาสักเป็นสว่วนรวมศาสนากประกาดความเคารพนับถือของผู้ที่จะเคารพนับถือเขามาเห็นความจืดจางบ้างเปล่าในการกระพุธทำของพระของเหอนเขาก็เบื่อเขาก็ไม่อยากนับถือไม่อยากเคารพไม่อยากตามว่ากุูชาศาสนาก็เสื่อมไปเสื่อมไปอย่างนั้นแหละนี่เรียกว่าพระเสื่อมมากเสื่อมผลไปแล้ว เพราะพระเป็นต้นสาคัญ <c oughs> ที่จะประกาศมรขนที่โจวนบรเพินมาให้ประชาชนต่้งชาติแต่กลับกลายเป็นค่าสืบต่อมรขนที่ฟานด้วยการปฏิบัติเหลวแหลกแบบแนวไปเสียประชาชนก็ขาดความเคาเรพมั่นถือนี่เราว่าศาสนาเสื่อมมันเสื่อมอยู่กับผู้ปฏิบัติตามและผู้ทําลายศาสนาปฏิบัติตามเขาลุ่มลุ่มรอนอนไม่เอาจินเอาจังอืม แล้วทีนี้ก็ศาสนาก็เสื่อมก็เสือ่อไปที่ไหนสุดท้ายก็มีแต่ตำราตำราอ่านกันเต็มปากจนปากแฉะแต่อ่านจำไปเฉยไม่อ่านเพื่อจะจำไปประพฤติปฏิบัติสมกับว่าทมที่ตัแสดงไว้อย่างน้อยนั้นแนะปดหมื่นี่พันวระธรรมขันนั่นคือแบบแปลนแผนผงัง ที่จะสร้างมากักสร้างผลขึ้นใส่ตนของตนตั้งแต่ต้นจนถึงมิพานสุดยอดทำเหล่านี้เป็นทำแบบแปลงแผนผังที่ยวเหมือนกับเขาทาแปลนบ้านแปลนบ้านหลั ง, ห น, งหนึ่งนั้นเขาทำออกมาแล้วให้เราสร้างตามแปลนถ้ามีแต่แปลนเฉยๆไม่มีใครก่อใครสร้างแปนก็ไม่มีความหมายเอาไว้ในห้องเต็มห้องก็เป็นแปลนห้องแปลน บ้านแปลนเดือนเฉยๆไม่ได้เป็นบ้านเป็นเดือนขึ้นมาได้ที่เมื่อ น, นําแปลนนั้นออกมาตาังแล้วปฏิบัติปลูกสร้างตามแปลนที่บุ่มบอกไวเรียบร้อยแล้วบ้านเรือนตึกรามบ้านช่องขนาดไหนจะเป็นไปตามแปลนโดยเรียบร้อยเรยบร้อยนี่แหละ <c oughs> ธรรมะของบุรุษเจ้าแปลงหมื่นพันประทับมขันนี่คือแบบแปลนแทนผังเพื่อมรควิภาร เป็นแบบแปลงไม่ใช่มรรคผลวิพายนแต่เป็นแบบแปลงเพื่อมรรคผลวิพายน์ <c oughs> เรานํานั่นเข้ามาปฏิบัติตัวเองแล้วทำนี้ก็จะค่อยตากฏขึ้นมาโสดาสกิทาอนาคาไม่นอกเหนือประจากษาิตภาวนาที่แปลงได้แต่วุ้นเจ้าสอนไปเรียบร้อยแล้วนี่แหละ <c oughs> นี่แหละผ้าปฏิบัติเราย่าสนใจกับสิ่งใดให้มากยี่งกว่าทำ ซึ่งเป็นคุณค่าอันสูงสุดที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ให้ประทับประครองด้วยความภาคความเพียรความระ ม, มัดระวังรักษาให้มีสติสตังมีหิริโอตปะปะสรุกลัวต่อบาตต่อกำมจริงได้เป็นบาตรเป็นกรรมเป็นภัยต่อศีลต่อธรรมของตนให้ปัดออกทันที ท, ทันทีอย่าเสียได้นี่นะก็มีตั้งแต่ธรรมภายในใจศีลภายในใจศีลก็บริสุทธ ภายในจิตใจก็เรียกว่าศีลสมบัติศีลมีเต็มหัวใจกายวาจาเรียบร้อยแล้วจากนั้นการภาวนาของเราก็ <c oughs> ติดหน้าประดับตามกันก็ติดก็มีความสงบร่มเย็นสง่าปา่าเผยขึ้นมากลายเป็นสมาธิสมบัตินี่แหละสมบัติของพระมีอย่างนี้นะสมบัติของปรนะชาชนมีอีกประเภทนับไม่ถ้วนแต่สมบัติของพระย่นเข้าขมาดังที่ว่านี่ศีลสมบัติ แปนผู้มีสมบัติคือสีดำงมูลภายในตัวไม่ด่างเพราะฐานทะลุไปไหนเลยแปนที่ภูมิใจกับสี้องตนที่รักษาไว้ได้เรียบร้อยแล้วสมาธิสมบัติจิตใจก็มีความสงบร่มเย็นจนกระทั่งแน่นหนามันคงสง่าผ่าเผยยืดด้วยความสุขความสบายภายในสมาธิที่จิตใจไม่ว่าบุนขุนมัวกับสินใดมีแต่ความรู้ที่ เป็นธรรมเร็นร้วนอยู่ภายในจิตใจสัง่านงามตลอดเวลานีเรียกว่าสมาธิสมบัติจากนั้นก็เอาจิตที่มันอิ่มอารมณ์แล้วนี่แหละจิตที่บ้าบุ่นขุ่นมนั้นจิตหิวก็หายจะพาไปพิจิพิจารณาทางด้านปัญญามันทะเลสไหลออกไปทางสัญญาโดมเป็นทางของนี่ไปเสียมันไม่เป็นปัญญาให้ <c oughs> ที่นี่เมื่อจิตอิ่มตัวจิตมีความสงบเด็นแล้วพาก้าวเดินออกทางด้านปัญญา พิจารณาธาตุขันเอาเริ่มต้นเจสารุมาณขาธันตาตัาโตนี่เป็นได้ทั้งสมถะเป็นได้ทั้งวิปัสสนาผู้เริ่มต้นพิจารณาก็เอาเจสารูมาณขาทันตาตัาโตตลอดอาการทั้งสองนี่เข้ามาบริกรรมให้จิตติดอยู่กับเจษารูมาณขาธรรมตาตัาโตเป็นต้นหรือติด อยู่ตรงไหนให้อ น, นั้นทําเป็นคำบริกรรมให้จิตติดแน่จากนั้นจิตมีความสงบแล้วแล้วคำบริกรรมเหล่านี้นะกรรมาฐานห้าหรืออาการฐานสองนี่ที่แรกเป็นอารมณ์เพื่อความสงบใจทีนี้เวลาใจมีความสงบแล้วกระจายสิ่งเหล่านี้ออกเป็นด้านปัญญาสิ่งเหล่านี้เลยกลายเป็นหินรับปัญญาไปเจสารมานาขาทันตาตะโต ผมผลและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกกระดกเยืออะไรกระดูก ม, ม้ามหัวใจตั บ, บตปัมผอดไตปิดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารไหนอาหารเก่าเต็มอยู่ในตัวของเราทุกทุกคนไม่บกุกฟ้อพิจารณาเข้าไปตรงนี้ที่กายไปทางด้านปัญญาแเอนตุพะอสุพันเป็นป่าชา้าผีดิบใครอยู่ที่ไหนจะมีใจกรงอยู่ทนันที่ไม่เรียกว่าผลตายทั้งทั้งเป็นผลตายไม่เรียกว่าคนตาย มีจิตครองอยู่นั่นแหละเขาอกมีชีวิตอยู่เหมือนกันหมดแล้วเ อ, อ, อาเนี่ยมาพิจารณาที่ใายสติปัญญาจะเกิดตรงนี้เนีน่อทิตยีปัญญานี้เกิดแล้วจะเริ่มถอดถอนที่เหลื <c oughs> อ, อสมาธิของเราเป็นแต่เพียงว่าตีที่ให้ตะ่อมเข้ามาจิตใจได้อิ่ตัวจากนั้นออกพิจารณาทางด้านปัญญาไดาพิจารณาเนี่ยตั้งแต่โผล่นเรียฟัน ทางนี้เลยกระดูกทั่วเจ้าคนละกายพิจารณาทบทวนไปมาจนมีความคล่องแคล่วว่องไวเมื่อกิจใจได้ออกทางด้านปัญญามีความคล่องแคล่วว่องไวอันนี้พูดยากนะหาแต่ลูกแก่ผู้ปฏิบัติเองเป็นยังไงปัญญาคล่องตัวไปยังไงมองดูไรทะลุทะลุทะลุไปหมดอืมมองดูคนทั้งคนจัดทั้งตัวนี่มีแต่หนังออกระดูกและกระดูกในเนื้อหนัง มีตั้งแต่ของวัตถุภูมิสองข้เต็มไปหมดทั้งตัวเขาตัวเรานี่คือปัญญาพิจานาพิจแปรเปลี่ยนแปลงไร้ลลสังพันธมให้เข้าตัวขึ้นมากข้งตัวขึ้นม า, มาสุดท้ายสิ่งนั้นกลายเป็นปัญญากลายเป็นหินลับปัญญาไปหมดสามารถแจวกลก้าไปได้โดยลําดับลําดานี่เรียกว่าปัญญาปัญญานี่ค่าที่เลสที่นี่ค่ากิเลสอย่สังหารกิเลคือ ด, ด้านปัญญาสมาธิตีกิเลเข้ามาให้ตล่อมตัว กายเป็นอีกที่อิ่นตัวไม่หิ้วหวยในอารกออกทางด้านปัญญาและพิจาณาที่คลายสิ่งที่ยึดที่ถือที่รักที่ชอบทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีอะไรรักชอบยิ่งกว่าเรารักชอบเราถือตัวของเรานี่ยิ่งใหญ่กว่าภูเขาทั้งรูกรักเรานี้ใหญ่กว่าภูเขาทั้งรูปสมบัติเงินทองเขาของนั้นเป็นของเล็ก น, น้อยแม้จะกองเท่าภูเขาก็ตามแต่ความรักสู้รักตัวของเราไม่ได้นั่นรักที่คลายเขาไปนี้ มันไปยึดไปถือกับสิ่งใดมันจะค่อยปล่อยค่อยวางเข้ามาเพราะสมบัติภายใน จ, ใจิตใจมีล้นคาแล้วสมควรที่จะดึงดูดความยึดมั่นถือมั่นทลายให้เข้ามาดึงดูดภายใน จ, ใจิตใจคือทำซึ่งมีอยู่ภายในใจนี้เป็นลํำดับลำดามาแล้วก็ปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาอะไรจะกว้างแค่ขนาดในมีจิตใจเป็นผู้ไปยึดไปถือไปเกาะไปเกี่ยวพอใจจับความจริงได้แล้ว ทำมาสมบัติไตรปฎกขึ้นแล้วที่ที่เรียกว่าปัญญาสมบัติได้ปรากฏขึ้นแล้วมันจะปล่อยเองเอที่มันไม่ปล่อยก็เพราะมันยึดถืออะไรมันไม่แน่นอนคว้า น, อ น, านอนควานี้อยู่ตลอดเวลาเพราะคว้าถูกจุดที่หมายที่ถูกต้องดีงามแล้วมันจะปล่อยเข้ามาปล่อยเข้าว่าปัญญาพิจนาเปิดกว้างไปแล้วทำจะเกิดขึ้ น, น, นเกิดขึ้นทำเกิดขึ้นความวิสัสยวิโสเกิดขึ้นแล้ว กับทําเนื้อสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นลําดับลำดาไปแล้วก็ปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาพิจารณาร่างกายร่างกายเป็นสําคัญมากเป็นเรื่องแห่งราคะตัณหาเอานี้ให้หนักทีเดียวผู้ปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นถึงแดนแห่งพระนิพพานเนี่ยเอานี้ให้หนักท่านผู้ใดมีภาพมีการพิจารณากายกัตตาสติได้ครอบแค่ว่องไวเท่าเท่าไรท่านผู้นั้นจะกล้าเดินทางมักทางผลเร็วมากขึ้นมากขึ้นยิ่ ทีนี้เวลาจิตเหน็ดเหนื่อยเมื่อไรแล้วให้ย้อนเข้ามาพักสมาธิซะก่อนเพราะปัญญาที่ท่าลวงได้ก้าเดินแล้วจะไม่มีการหยับยั้งนะผ่านผลโจนทยานที่สุดไม่มีอะไรเกินสติปัญญาอืขั้นละกายนี้ได้ไปแล้วนะมันจะหมุนตัวไปเองหมุนตัวไปเองนี่ล่ะเราเจ้าของต้องยับยัง้งเมื่อรามันเด็ดเหนื่อยเมื่อไรให้ย้อนจิตเข้ามาสู่ที่พักคือสมาธิ เข้าสู่สมาธิให้สงบเย็นเพื่อเอากําลังอืมเป็นทางด้านทางด้านปัญญาพอถอนออกจากสมาธินี้แล้วก็ก้กาวเดินทางด้านปัญญาในเวลาพิจารณาทางด้านปัญญาไม่ต้องไปกังวลกับสมาธิเวลาจิตเข้าพักสมาธิยาไปกังวลกับทางด้านปัญญาย่าไปเสียไดย้เวลาเข้าพักให้พักเต็มเหนียว อ, อืเมื่อถอยออกมาจากพักก็เหมือนเรา รับทานที่เรานอนตื่นขึ้นมาแล้วที่จะประกอบหน้าที่กันงานไม่ยุ่งกันอยู่การจริงการหลับการนอนอีกต่อไปจะยุ่งกับงานเท่านั้นนี่เวลาออกทางด้านปัญญาให้ให้หมุนไปทางด้านปัญญาทีนี้เมื่อเวลาเบียดเหนื่อยเมื่อยล้าเข้าพักเข้าพักนีการปฏิบัติเพื่อความถูกต้องดีงานไม่เป็นดูศาสตร์ <c oughs> แต่อย่างใดแล้วอาจารย์ะอาจำเอาหนักปฏิบัตินะ มีเวลาเนี่ยเหนื่อยมื่อล้าแล้วก็ให้มาพิจารณาให้ให้พักสามสมาธิแล้วออกกล้าทางด้านปัญญาด้านปัญญาส่วนด่างกายนี่เป็นด้านหยาบก็หมุนกันตลุมบอลกันอย่างหนักทีเดียวผู้พิจ า, า, ารณาร่างกายข้อผ่านร่างกายนี่ไปแล้วจะเป็นธรรมารมณ์จะเป็นอารมณ์โดยอาศัยร่างกายเนี่ยเป็นหินลับปัญญาไปยังปล่อยไม่ได้นะแล้วมันจะค่อยเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปในภาพของจิ แห่งผู้มีปิปัญญาพิจารณานั่นแหละหือดับไปต่อไปอ น, นี่ก็หมดภาพในส่วนวัตถุเรียหมดไปเหลือแต่นา ม, มาทำที่เกิดขึ้นภายในใจเกิดดีเกิดชั่วและสังขารตัวภูมตัวแต่งเกิดที่ไหนดับที่นั่นเกิดที่ไหนตามเข้าไปก็เกิดที่กิต ด, ดับที่จิจพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าแคบเข้าไปแคบเข้าไปในการพิจารณานี่เรียกเป็นน้ําไหลซึมนานะเนี่ย ถึงปัญญาขั้นนี้แล้วเป็นน้ําปัญญาน้ําไหลส่งไหลตลอดเลยเ อ, อาพอมันไหลตลอดแล้วมันจะลืมเมื่อดื่มตัวลืมเวลาเวลาผ่านผานโจอธิญาณเกินไปหักเข้ามาพักสมาธิทั้งๆ ท, ที่ไม่อยากไม่อยากพักก็หักเข้ามาเพราะเนตหน่วย เ, เมื่อยล้วจะทําอะไรมันตายลร้คนเรางานจะไม่เสร็จจะขอจะตายซะก่อนเอาให้พักซะก่อนมีกําลังแล้วทํางานต่อไปสุดท้ายงานก็สําเร็จ อันนี้ก็าการพิจารณาก็เหมือนกันอย่างนั้นขอให้พิจารณาทางด้านปาัญญาด้านที่อธิบายมาแล้วนี้ไม่ผิดอืคงแน่เลยอารมณ์ธรรมารมณ์เป็นของสําคัญแล้เข้าสู่จิตอารมณ์ธรรมารมณ์นี้เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากเรียกว่านามธรรมาล้วนๆมันจะเกิดขึ้นจากจิตดับไปที่จิตหมุนเข้าไปสู่ที่นั่น ล่าเงาแห่งวัฏวุลคืออะไรคืออวิชาอวิชาเราถามหาที่ไหนก็ไม่เจอให้ถามเข้าไปตรงนี้ตามเข้าไปตรงที่สังขารเกิดสังขารดับความคิดตังเกิดดับไม่เกิดมาจากไหนดับมาจากไหนมันไปดับที่ไหนตามเข้าไปมันจะไปถึงจุดใหญ่แห่งพระราชวังของวัฏจักรราชาใหญ่ของวัฏจักรอยู่ที่พระราชวังใหญ่คือหัวใจนั้นแหละพ่อวิญญาเข้าไปที่นาเข้าไป กษัตริย์วัตจักรอยู่ที่ภายในใจข้อหัวใจไว้นั้นมันจะถูกพังทลายเพราะปัญญาของเราเพราะวัตจกักรั้าแอบิชาปฏิยาสร้างคาราพังลงไปแล้วสินทั้งปวงดับโดยสิ้นเชิงเรื่องทุกทั้งหมดดับเพราะกิเลสเป็นเหตุแห่งสร้างทุกมันตั้งแต่ส่วนอยากส่วนกลางส่วนเียดเมื่อกิเลสทุกประเภทดับลงไปโดยสิ้นเชิงแล้วทุกก็ดับไปพร้อมกัน โดยสิ้นเนั่นแหละบร ม, มสุขไม่ต้องถามหาพระนิพพานสารทิติโกผู้ปฏิบัติจะเพิงรู้เห็นผลงานของตนตั้งแต่ต้นจนอวสานจะไม่ต้องไปถามใครสารทิติโกพระองค์ประกาศให้แล้วประทานให้จบลอยแล้วให้มาปฏิบัติตนเองเมื่อถึงขั้นเทววิชาพังแล้วนั่นแหะเยียโลกจคไม่มีโลกไหนจะเย็นวยาโรคทั้งหลายมีแต่โลก หมุนเยี่ยนเปลี่ยนแปลงเปิดแจ่เจ็บตายแล้วเปิดแจ่จับเจ็บตายเล่าอยู่ังกีกับกี่การพอหักคงตั้มตัวใหญ่ที่พาโลกทั้งหลายให้หมุนชั่วโลกธาตุนี้ขาดจะบันลงไปได้แก่วิชาคาลงไปจากใจแล้วเป็นวิชาขึ้นมาหรือเป็น <c oughs> วิวัตะขึ้นมาไม่หมุน <c oughs> หมดโดยสิ้นเชิงนั่นแหะท่านบรรลุธรรมท่านบรรลุที่จุด วิวัตทีวั ต, ตะอยู่มันหมุนอยู่ในใจแฝงวิวัตตะทำลายวิวัตทำลายวั ต, ตะขาดไปแล้ววิวั ต, ตะไม่หมุนเกิดขึ้นทันทีท่านใดเนี่ ย, ท, บบปปยท่านบันรู้มากกว่นิพายท่านบรรลุอย่างนั้นเราจะไปหาที่ไหนหวกว้างขวางให้ยิดหลักธรรมหลักวินัยขึ้นเป็นองค์ศาสด า, ศ า, ศ า, ศานี่แทนไปที่ไหนอย่าห่างไกลจากจากธรรมจากวินัยธรรมวินัยนั่นแหลคือองค์ศาสด า, ศ า, ศ า, ศา ติดแนบอยู่กับตัวของเราให้พิจารณาอันนี้เท่ากับเราตามเสด็จพระบุรีเจ้าทุกฝีก้าวนั่นแหละถ้าใครไม่พังไม่เผลอระมัดระวังตัวอยู่ตามดักทำดักวินยัยผู้นั้นจะมีศาสดาติดแนบกับตัวไปตลอดเวลาแต่ผู้ใดมีความเผลอเลยมความดืมเนื่อนึงตัวนั้นห่างจากศาสดาแล้วก็ลงลลก้นนรกเทวทัศ ก, ก็ได้ให้พากาันจำเอาเพราพาลูกพาหลาน ที่มาปฏิบัติที่เราแสดงนี้แสดงด้วยความถูกต้องไม่มีผิดพลาดขอให้ก้าวเดินตามนี้แล้วจะถึงฝั่งแห่งแดนกเกษตรคือมณีพานไม่จ้องถามไก่ไม่มีสมัยใดสมัยใดมาเป็นอุปสรรคขัดข้องได้แหละทำนิสราชตีกิเลตตัวมันเป็นอุปสรรคสร้างอยักขึ้นมาในแง่ต่างๆให้ขาดชาวบ้านลงไปแล้วมักผลนิพานไม่ต้องถามขึ้นอยู่กับตัวของผู้ทำราชกิเลส มีหมดโดยสิ่งเชิงแล้วนี้ท่านั้นนะพากันจทย์คันจำการปฏิบัติอย่าลืมเรื่องลีน <affe tới> ตัวสถานที OSS ่อยู่นี่ผมไปเที่ยวมาดูแล้วเหมาะสมแล้วล่ละอฏิบัติก็เป็นกคำตอบพอได้อยู่บำเพ็ญภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คืองานของพระอย่าปล่อยอย่าวางงานนี้พระในครั้งพุทธกาล พระในแดนพุทธศาสนาเป็นภาคที่มีหน้าที่การ ง, งานทําไม่เป็นคนว่างงานคนว่างงานคือวันก็ว่างเงินไม่มีเงินจะอยู่จะ ก, กิน จ, กจะใช้จะซอยพระว่างทำว่างงานของพระก็ไม่มีมากมีผลเป็นเครื่องดูดถึงจะกินจะแห้งผ่าแห้งผ่าไปจากสีจากดำเพราะฉะนั้นจงให้เป็นผู้มีงานคือกินจากภาวนา เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาด้วยชาติมีสติสตัมตลอดเวลานี่เรียกว่าเป็นผู้มีงานผลของงานจะปรากฏขึ้นในใจของเราผู้มีงานนั่นแหละการสมบัตสมผลจะเกิดขึ้นจากงานของพระคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาด้วยความมีสติปัญญาหมุนตัวอยู่ภายในใจนี้แหละดับไม่ไม่ต้องประถามหาไถ่พาการจดจำเอาพระรูปพาหลาน เป็นม้นี่ก็อุตส่าห์มาด้วยน้ำใจเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อเป็นกำลังใจได้ประพฤติปฏิบัติตามที่แสดงมาแล้วนี้ไม่ผิดตอนแน่ล้งไปเลยมีได้แสดงได้ผ่านมาก่อนแล้วทุกอย่างการเทศนาวาการจึงจึงไม่มีความสงสัยว่าจะผิดไปถูกต้องแม่นย ง, งขอให้ผู้ปฏิบัติให้ดำเดนิตนตะตามแนวทางที่สั่งสอนมีแล้ว มัผลนี้ผ่านในครั้งบริการากับครั้งนี้ก็จะปรากฏเด่นขึ้นที่หัวใจของผู้บำเพ็ญ น, นั่นแหละผู้ไม่บำเพ็ญจะเรียกร้องหาอะไรมาช่วยเหลือไม่มีความหมายทั้งนั้นแ่ะเอาความภาคเพียนนะ่ะเรียกร้องหาความภาคาเพียนมาช่วยเหลือตัวเองจิตใจของเราจะสร้งางงามจะมีคุณค่าขึ้นภายในใจนอกนั้นไม่มีอะไรที่เลิศเลยยิ่งกว่าใจที่กับธรรมเป็นอันเดียวกันของอัดของธรรมนี่ขึ้นมาแล้ว ถ้ า, าพ่อพระคาถานี่เลยจำมา น, นะปลาลูกปหลานส่วนประชาชนญากโยมก็ขอให้พากันอย่าปล่อยอย่าวางเรื่องทานให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาพงศนา น, นี่เป็นสมบัติภายในใจของเราส่วนภายนอกเป็นสมบัติที่โลกได้อาศัยกันอยู่ทั่วหน้ากันไม่มีใครสงสัยแต่สมบัติภายในคือศีลคือธรรมนี่โลกไม่ค่อยจะไสนใจนักหนนะ้าอันนี้ให้พยายามสนใจ สมบัติภายในคือการให้ทานรักษาศีลการภาวนาให้มีอยู่กับประจําใจนี่เรียกว่าสมบัติของใจแท้สมบัติของร่างกายที่ใจอาศัยบังเด็กน้อยก็คือสมบัติเงินทองเครื่องของที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยต่างๆที่อาศัยเข้าไปพอได้รับความสุขจากเขาที่จะหวังความสุขจริงๆแล้วต้องมาหวังกันกับการทาบุญให้ทานรักษาศีลภาวนานี่เป็นสมบัติของใจแท้ อย่าได้พากานปล่อยกันวางไปที่ไหนก็ไปแต่คนมีบุญมีกุศลแล้วไปที่ไหนแม่นยำแ ม, ม่นยำสุขโต <c oughs> อยู่ก็เป็นสุขโตอยู่ดีกินดีไปดีมาดีชาตินี่ก็เป็นสุขชาติน้าก็เป็นสุขเรื่องบุญไม่เคยทำใครให้เป็นทุกข์นะเรื่องบาปต่างหากมันพาทำโลกให้มีความทุกข์ความเดือดร้อนให้สร้างความดีงามเรื่องชจวิตมันไม่อยากให้สร้างนะ มันต้องฝืนหัวใจเราเพราะว่าจะหมุนใจเข้าไปสู่อสูรธรรมไปวัดไปวาจิกอิิเลศมันจะมากี่มากความหาอุปสรรคต่างๆเข้ามาปิดปิดมากั้นไว้จนได้นะเอาระ ว, วังอิทิเลศตัวนี้ให้ดีนะมันมีอยู่กับทุกขนนั่นแหละมันไม่ให้ไปเราจะไปเพราะเป็นความชอบธรรมแล้วเป็นทางเดินเพื่อปรุงตัวประสงค์เ พ, เพื่อความพ้นทุกข์แล้วเราจะไปเราเดินตามพิเลสถ้าเราไป หามรรผลนิพพานพ้นทุกที่ไหนมีจะพาให้โฉมให้โฉมเชื่อมันอะไรนักหนาเราต้องวัดต้องเทียบกันอย่างนี้ไม่งั้นหาทางออกมาได้นะวันไหนเกิดขึ้นมาก็มีถูกกิเลสตมอยููกิเลสต้มตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับถูกกิเลสต้มบันยังขั้มกี่ปีกี่เดือนถูกกิเลสต้มรัดทะหลุงไปตลอดเวลาจนตั้งตั้งแต่วันเกิด ถ, ถึงวันตายไม่ได้กิเลสตงมถูนหล อ, อกลวงแล้ววิ่งไปตามมันตลอดเวลาที่จะ แยกตัวออกมาหาศีลธรรมไม่มีนี่ไม่มีที่หวังนะต้องเอาแยกออกมาหาธรรมจิตใจจะมีที่หวังจะมีที่พึ่งตายแล้วสมบัติเหล่านั้นพึ่งไม่ได้นะเหมือนกันหมดที่จะพึ่งได้ก็คือบุญคือกุศลที่เราสร้างมานี่แหละอันนี้พึ่งเป็นพึ่งตายได้เลยขอให้พี่น้องท่หลายจดจำเอาที่มาวันนี้ก็มาด้วยความสนใจพระเป็นอันดับหนึ่งเห็นว่าสถานที่นี้ก็มีท่านสงบ เป็นผู้ปฏิบัติบำเพ็ญที่น่านับถือแต่ประชาชนทั่วไปก็น่าเคาเรพเลื่มใจสําหรับเราเป็นอาจารย์ก็น่านับถือน่าชมเชยเพราะเราเป็นอาจารย์ของพระสงฆุองค์นี้ที่เคยไปอยู่วัดปาบรรตาษมาแล้วจากนั้นกลับมาที่นี่ก็คอยฟังเสียงอยู่เรื่อยๆบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ออกจากวัดป่าบันตาดไปที่ใดตาจะเหลมนะตาลุงตาบัวหูจะฟังตลอดใครเคลื่อนไหวเป็นยังไง ถ้าดีก็ส่งเสริมไปมาหาสู่ติดต่อสืบถามเรื่องราวต่างๆถ้าไม่ดีแนะนําเฮ้ยเฮ้ไม่ฟังและปล่อยเลยปล่อยเลย <c oughs> นี่ที่เรามาที่นี่ก็เห็นว่าท่านสงกเป็นผู้ปฏิบัติดีตามคําสอนคำมือเจ้าที่เรานํามาแนะนําสสอนแล้วมาอยู่สถานที่นี่ก็เป็นที่ให้ความร่มเย็นแก่ประชาชนทั้งหลายพระผู้มีศีลมีธรรมภายในจิตใจไปที่ไหนเย็นหมดนั่นแหละ ทำอยู่ภายในใจทําโลกให้เย็นได้นะอืให้เย็นได้มากน้อยตามหน้าแถงตามที่มีในใจของผู้พรอ้อมธรรมนี่ท่านมาอยู่ที่นี่ก็ดีดูปรากฏว่ามีลูกศิษย์ดูหาก็มากขึ้นโดยลําดับทำที่สอนโลกให้เป็นที่แน่ใจภายในตัวเองแล้วจะทําโลกให้เจริญรุ่งเรืองไปได้โดยลําดับเนียกที่มานี่ก็มาด้วยน้ําใจแล้วไม่มาเพื่อสิ่งอื่นใดมาเพื่อ น, น้ําใจการเทศนาว่าการ วันนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางและเป็นกำลังใจของทั้งพระนักบวชผู้ปฏิบัติบงเพ็ญต่อนาทั้งประชาชนยากโดมผู้บังุงรักษาศาสนาให้มีกำลังใจไปด้วยกันได้บำเพ็ญสินธรรมให้มีความกระร้บรดื่นงามเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับลาดับต่างคนก็จะเป็นสุขโตไปด้วยกันพระก็เป็นสุขโตไปแบบหนึ่งประชาชนก็เป็นสุขโต มีความสุขความเจริญด้วยบุญด้วยสนไปแบบหนึ่งเหมือนกันกับประชาชนการแสดงธรรมท่านทั้งหลายฟังวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแกท่าแจกฐานแจกในล่าเวลาจึงขอามสวัสดีจงมีแจกบรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทินโอ้โโ้โอโอพอมาประเทศแล้ ว, ว, วลูกศิษย์กถาโนตเป็นไร อาศัยอะไรเราอาศัยไปญาติโยมเขามีหัวใจเขามีหูมีตาบกพ้องขาดเกิดอะไรเขาจะดูเองเราเป็นมีหน้าที่ดูจิตใจของเราสังสมอธรรมเข้าสู่จิตใจห้ามขบวนขึ้นโดยระดับนี่เป็นหน้าที่ของเราส่วนฉพาะทานที่อยู่ที่อาชาต่างๆญาติโยมเขาไม่ใช่คนตาบอดเขาดูเองระบบพร่องขาดเกิดอะไรเขาจะพิจารณากันเองมาพึกษาไปร่วมกับพระแล้วจบลงกันยังไงด้วยเหตุผลแล้วก็ไปที่หมากันไป นี่เหมาะสมเหมาะสมยิ่งกว่าใครมาก็ยอมย อ, มยอมเขาจะไว้มาบวกมือแล <c oughs> ้วฉันต้องรัสร้างอสร้างจากวัตถุมาอวดกันมันเลยกลายเป็นาศาสนาวัตถุไปไม่ใช่าศาสนาธรรมาศาสนาธรรมคือการประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีบำรุงจิตใจให้ดีดนน ง, างามไปลำดับจนงางามนี่าศาสนาธรรมาศาสนาวัตถุมันเป็นเรื่องพองเจไปแล้วนาก่านนั้นเป็นเจตเดชร่วงรวนไปเลยอื ยังแทะเข้ามาก็เป็นกิเลสแทะเข้ามาแล้วยท่านนิยมในการก่อการสร้างมากนั่นกิเลสแทะเข้ามานิยมในการบําเพ็ญตัวเองนั่นเรยกว่าบาบุงทําโดยแท้พากัจำมานาะนอ๋อละเทปจบแล้วก็ไม่จบมันยังมีหางของมันมันก็ไปตามหางก่อนนะคนทั้งคนก็มีหัวหมาทั้งตัวก็มีหางนี่มันก็ต้องไปตามหัวตามหางของมันน่ะเข้าใจไหมอ๋อละเท่านั้น